เพิ่นหลวงลับไปแล้วกระโบเมตรีปอยปะแ ล, ล้วเลยเฉยเมื่อยเพราะเพิ่นบุญคุณของเพิ่นที่ถ้ำไวก้กระเพ้าเนียยังมีอยู่เอผ้าธรรมะค้าขายผ้าท า, า, ก, า, า, าทกิจการงานคุณงามความดีของเพิ่นเน่ยยังมีอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบุญคุณของเพิ่นเน่ยยังมีอยู่อพวกเข้าคนจะแสดงความกระตันยู่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 เขาก็จะได้ปฏิบัติตามเดินตามแนวแถวที่เข้าผ้าปฏิบัติเป็นแบบฉบับอันนี้คือ ก, กันเมื่อเข้ามาได้รู้จักได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเข้ากห้เข้ารบปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เพิ่ว่าเมื่อพ่อแม่เลียงเข้ามาแล้วเลียงท่านตอบธรรมกิจธุระของท่านดำรงว่งสกุล ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วถ้ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะอันนี้เคยคือบุตรธิดาบุตรชายบุตรสาวบุตรหญิงบุตรชายมีเป็นนาทีในเมื่อเข้าถําดีเป็นตัวอย่างลูกของเข้าเข้าขยึดเป็นแนวทางต่อไปไพ่ภาคหน้าอันนี้มันเป็นทางที่ดี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 ถ้าหาว่าพวกเขาอยากจะฮู้กั บ, บมี่ด้ห้ามโมแมน็นิตรับหูรับตาเอ้ยไผสีเฮีย น, นยได้กัเฮียนไปต่อเฮียนหนังสือเฮียนไปกไปยังสันละเสียงกันเสียท่องเลยสิ ก, กับวากัแมนยูแต่ว่าผูเ้เฮียนเขาหูเขาฉลา ด, ดเด้เขาอ่านได้ภาษาอังกฤษภาษาย่งเขากระ่านได้กนโบหูโบเฮียนเนี่ยกบว่ากับวาได้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 ศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติถ้าลงมือปฏิบัติเราจะย่อมรับกันแต่ทางวาดบวได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยก็ต้องสงสัยความสงสัยจุดนี้จะไผเป็นผูก้แก่นอกจากตัวของเฮาเองจะเป็นผู้แก่เอาพูดเป็นภาษากลางนะพอมีพระลูกหลานมาจากวัดบรวรว้ลืมคิดถึงเหมือนกัน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 จิตใจให้เป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งพระองค์รำลึกชาติผลหลังได้ย้ว่าปุกเพยนิวาสารุสติยานระลึกชาติผลหลังได้เนี่แหละทําไมจึงระลึกชาติผลหลังได้เพราะทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณรัศนะในขณะนั้นเมื่อเกิดญาณรัศนะจิตสงบ ในขณะที่จิตสงบเพราะว่าจิตสงบเกิดฌานฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิต้องทมจิตให้สงบซะก่อนเมื่อจิตสงบแล้วเกิดยาณทัศนะเกิดฌานว่อเกิดฌานขึ้นมาแล้วล้ำลึกชาติผลหลังได้เนี่ยถ้าหากว่าคนเราเกิดมาชาติเดียวจะล้ำลึกชาติผลหลังได้อย่างไงอันนี้พระพุทธเจ้าท่านลลึกชาติผลหลังได้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 แต่พระเจ้าพร่นีินก็ขาดความรอบคอบแต่นี่ก็สั่งประหารเออมันไม่ใช่น้อยทีตอนนีก้การทำบาปการสั่งสมบัติบาปทีละน้อยละน้อยเเออความชั่วจะทำซะเลยดีกว่าเพราะความชั่วนั้นย่อมเผาผลาญให้โทษภายหลังแต่ขณะที่ทำพระเจ้าเป็นดินก็สั่งให้ทำให้ฆ่าแต่ไม่ไปถึงโทษกับฆ่าบางทีมหาเรื่องสีกันเจ๋เจ ใครจะไปรู้เห็นไม่ได้สืบสอบรายละเอียดเนี่ยตอะนั้นทําโทษคนพอตายจากชาตินั้นนะพระเจ้าแผ่ดึงก็ตกนรกเหมือนกันนะ อ, อไปตกนรกถึงถึงแปดหมื่นปีพอใช้กรรมการกระทําของตัวเองบาปกรรมให้ผลไปตกอยู่ในนรกถึงแปดหมืนปีพอขึ้นมาจากนรกนะมาเกิดมาเกิดเป็นลูกพระเจ้าเป็นดินเอง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 ใคราว่าทอพระไทยขนาดตัวเล็กๆนอนอยู่ที่เพลาๆนะแต่ตัวเล็กก็จริงอยู่แต่ว่าความรู้นะมันไม่เล็กเห็ความรู้สึกนะมันไม่เล็กมันเห็นไฟนรกไหมอย่กลัวอยู่ตลอดแต่นี่เทวดาที่รักษาสวีฉชัดอยู่ในพระราชวังที่เคยเป็นแม่ของพระกุมารมาก่อนในอดีตท่านก็แสดงตนให้ปรากฏให้เห็นแต่เฉพาะ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 แต่คนที่มาใช้สมองนั่นคือใครอันนั้นเขาจังมองไม่เห็นเพราะมันเป็นนา ม, มาธรรมแต่เพราะพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเห็นแล้วบอกว่าตัวที่มาใช้สมองน่นคือวิญญาณคือใจตัวนั้นแหละตัวสําคัญตัวการใหญ่ะตัวนั้นแหะสําคัญตัวที่มาใช้สมองมากดคอมพิวเตอร์นั่นะคนนั้นแหละสําคัญเออพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญคนนั้นคนที่มากดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั่น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 คณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร